ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตฉบับสมบูรณ์ภาคประวัติหลักตอนที่หร่วมจัดทำรรโดยครอบครัวเขมรัตนาครอบครัวกุลเวนครอบครัววิริยาครอบครัวอิ่มอกครอบครัวโทสกุลพุทธศักราช2464เสนาสนะป่าบ้านห้วยสายกิ่งคำชะอีจังหวัดนครพนม ท่านพระอาจารย์มั่นได้จําพรนษาที่เสนาสนะป่าบ้านห้วยทรายเขตจังหวัดนครพนมปรากฏว่าได้มีพระภิกษุห้ารูปและสามเณรอีกห้ารูปร่วมจำพรรษากับท่านในปีนี้ท่านได้เริ่มสักการะแก่การแก้ความเห็นผิดแก่ชาวบ้านตามท้องถิ่นที่ท่านได้ไปพักผาอาศัยโดยการแนะนำถึงพระไตรสรณคมว่า การนับถือพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นประการสำคัญการนับถือพูดผีปีศาจต่างๆของประชาชนแถบนี้ในสมัยนั้นถือกันหนักมากซึ่งท่านก็พยายามแสดงเหตุผลและพยายามให้เข้าใจจริงจนทำให้ประชาชนเหล่านั้นได้ละความถืออย่างผิดๆนั้นเช่นเขานับถือว่าบิดามารดาตายแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่หิ่ง คอยทำให้ลูกหลานเจ็บป่วยตลอดจนการปลูกสารเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่เป็นต้นเมื่อประชาชนละความเห็นผิดนั้นแล้วก็ให้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะสิหมดพร้อมทั้งปลูกศรัทธาในการเจริญกรรมฐานภาวนาซึ่งปรากฏว่าประชาชนในถิ่ น, นั้นจนตราบเท่าทุกวันนี้ได้เป็นผู้เกิดความสนใจในการเจริญกรรมฐานภาวนาสืบต่อกันมา และท่านได้พักอยู่ที่เสนาสนาป่าบ้านห้วยซายนี้ประมาณสิบเดือนจึงได้เดินทุดงต่อไปท่านอาจารย์เสาท่านพักอยู่ที่ถ้ำผูผากูดถึงห้าพันษาออกพันษาแล้วไปพักจำพันษาในเขตท้องถิ่นของอำเภอมุกดาหารและกิ่งอำเภอคำชะอีไปไปมาเมื่อท่านอาจารย์มั่นออกจากบ้านห้วยสายแล้ว ท่านต่างก็ได้ร่วมทางเดินทุดงออกขึ้นไปทางทิศเหนือขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบ้านหนองลาดบ้านม่วงไข่พันนาซึ่งเป็นบ้านที่ใกล้บ้านเดิมของท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรและออกเดินทุดงไปทางบ้านหนองแวงบ้านโพนเสียงวางตามผลทางถิ่นนี้เป็นป่าดงพงพีเต็มไปด้วยไม้แตงรังไม้แดงไม้ตะเคียนเป็นป่าทึบท่านได้พักพิงและพาหมูคณะสิทธ ทำความเพียรเป็นระยะไปและได้ลูกศิษย์เพิ่มขึ้นตามระยะทางทั้งที่เป็นพระภิกษุสมณเณรและเด็กจากนั้นท่านก็ทุดงต่อไปถึงบ้านหนองใสบ้านตาลโกนบ้านตาลเนืองอันเป็นบ้านเดิมของท่านอาจารย์วันอุตโตโมบริเวณถิ่นนี้มีหมู่บ้านเป็นยมยมพวกเขาส่วนมากเป็นชาวนาการไปตามแถวถิ่นนี้ ท่านจะแนะนมหมู่ชนให้ละจากการนับถือพูดผีปีศาจด้วยความหลงผิดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตัวอย่างให้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสิทธิ์ของท่านได้เจริญรอยตามที่ท่านได้ทามาแล้วคือให้ละจากการถือผิดให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงพร้อมทั้งปลูกศรัทธาในการเจริญกรรมฐานภาวนาไปด้วยจากนั้นท่านก็ทุดงต่อไปเรื่อยๆจนถึงบ้านหนองปลาไหล บ้านพังโคนกิ่งวาริชภูมิแม้ในขณะที่ท่านพาหมู่คณะที่เป็นศิษฐ์ทุดงไปตามหมู่เขาลำแนวพรายนี้เมื่อพักอยู่นานๆเข้าก็จะมีทั้งพระภิกษุสัมมเนนและอุบาสกอุบาสิกาสนใจจากทางไกลๆเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านเพราะเหตุว่าการปฏิบัติแต่ก่อนนี้เป็นสิ่งลี้ลับกลับมาเปิดเผยจะแจ้งขึ้น ท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตามท่านแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นคารวะมาบำเพ็ญก็ได้ผลอย่างน่าประหลาดผู้ที่เป็นพระภิกษุจะมาอยู่ดูได้ไม่ปฏิบัติก็จะด้อยกว่าคารวะ ด, ด้านปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการทำให้คารวะ ด, ดูถูกดูแคลนได้จึงปรากฏว่าบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเกิดการตื่นตัวขึ้นมาหาท่านเพื่อขอมอบตัวเป็นศิษย์ทั้งพระผู้ใหญ่อันเป็นพระเทระ และพระผู้น้อยทั้งพระเก่าๆที่เป็นพระเทระซึ่งติดตามท่านไปห่างๆก็สามารถสอนธรรมกรรมฐานได้เช่นท่านเหมือนกันการเดินทุดงจึงเป็นการเผยแผ่พระธรรมปฏิบัติไปในตัวด้วยในขณะนั้นพระอุปชาเกิงอธิมุตโก ท่านอาจารย์ดีวัดม่วงไขพันนาก็ได้มาขอเรียนกรรมฐานภาวนาจากท่านพระอาจารย์มั่นจนปรากฏว่าได้ผลอย่างมหาสั ร, รย์จึงได้พาหมู่คณะอันเป็นสิทธิ์เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติอีกด้วยระยะนี้เริ่มมีผู้สนใจในการปฏิบัติกับท่านเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นคณะหมู่ใหญ่ขึ้นเขตในท้องถิ่นนั้นและเขตใกล้เคียงได้เกิดศรัทธาปฏิบัติเห็นอัตถธรรม ต้องการบรรปชาอุปสมบทแต่ขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านยังไม่ได้เป็นอุปชาจึงได้นิมนต์ท่านพระครูอดีไซคุณาทานอากโรคําที่วัดศีสะอาดเจ้าคณะจังหวัดเลยมาเป็นอุปชาการทําการอุปสมบทในสมัยนั้นเป็นการเริ่มต้นวางระเบียบการบวชตับพระขาวแต่ก่อนที่จะทําการบรรปชาอุปสมบท การบวชตาพระขาวคือการรักษาศีลแปดและให้รับประทานอาหารเพียงมือเดียวและฝึกหัดดัดแปลงนิสัยใจคอทั้งฝึกสมาธิให้เป็นประดุจพระหรือสามเณรไปตั้งแต่อย่างเป็นตาพระขาวนี้ีก่อนถ้าการฝึกยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ยังไม่บรรพชาอุปสมบทให้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี การฝึกผู้จะบวชนั้นปรากฏว่าเรียบร้อยดีมากระเบียบนี้จึงได้มีขึ้นในคณะกรรมฐานจนถึงปัจจุบันคือผู้ที่จะบวชเป็นการถาวรต้องทำการฝึกหัดให้ปฏิบัติกรรมฐานตลอดจนพระวินัยเป็นการเตรียมเพื่อจะทำการบรรพชาอุปสมบท ในแถวแถวบ้านโพนเสียงหวางนี้มีบุญวัสนาได้ปรารณาตนเข้ามาปฏิบัติอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่นและลูกศิษย์ของท่านมากทั้งปรากฏเป็นผู้เข้มแข็งในการเจริญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งซึ่งปรากฏในภายหลังว่าได้เป็นพระอาจารย์ผู้สันทั์ในการสอนกรรมฐานมากที่เกิดขึ้นในแถบนั้นการทุดดงที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น ที่พระอาจารย์มั่นได้ดำเนินขึ้นในปีนั้นเป็นการวางแผนแบบใหม่ขึ้นคือเมื่อถึงคราวที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นท่านก็จัดผู้ทรงคุณธรรมภายในและมีปฏิภาณเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมเป็นหัวหน้าชุดละสามถึงสี่องค์ท่านเป็นหัวหน้าไปพักบ้านหนึ่งบ้านใดอาจจะเป็นเจวันสบวันหนึ่งเดือนสุดแล้วแต่ความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ได้ และหุนหน้าตามหลังท่านมาก็พักอยู่ตามทางตามบ้านที่ท่านพักตามกําหนดที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักและทําการสอนกรรมฐานภาวนาติดตามท่านมาตลอดแห่งหนทางกันไปทุดงและการที่จะตัดสินใจไปที่ใดนั้นเป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งการไปไม่ว่าจะเป็นที่ใดท่านจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะพึงเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง คือชาวบ้านเหล่านั้นและกุลบุตรในแถบถิ่นนั้นจะพึงมีบุญวาสนาพอจะรับธรรมะปฏิบัติจากท่านได้ท่านก็จะพาคณะเดินทางไปยังประเทศตมบล น, นั้นนี้เป็นวิธีที่ท่านอาจารย์สิงคันตยาขโมนนำเอามาเป็นแบบดาเนินการหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วท่านได้มอบสิทธิ์ทั้งหลายให้อยู่ในความปกครองของท่านอาจารย์สิงห์ทั้งหมด ท่านอาจารย์สิงห์ท่านได้ดำเนินทุ ด, ดงพิธีนี้เมื่อพุทธศักราช2471โดยได้เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปรากฏว่าได้มีวัดเซนาสนะป่าอันเป็นแหล่งสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมแก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นอันมากนับเป็นจำนวนพันๆแห่งทีเดียว อีกวิธีหนึ่งการทุดงนั้นท่านจัดให้ไปสแสวงหาความสงบโดยเฉพาะวิธีนี้ได้จัดขึ้นให้เป็นประโยชน์เฉพาะภิกษุสามเณรคือผู้ที่บวชใหม่หรือบวชเก่าแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้ก็ต้องไปทุดงคือจะต้องสแสวงหาสถานที่ไกลาจากบ้านพอสมควรอาจจะเป็นป่าไม้หรือภูเขาหรือเป็นถ้ำหรือเป็นป่าช้า พักอยู่บำเพ็ญสมณะธรรมโดยเฉพาะไม่สอนอุบาสกอุบาสิกาแนะนำกันในระหว่างภิกษุสัมนเนรอบรมกันให้ยิ่งด้วยการกําหนดจิตพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ความสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดผลขึ้นจากบาเพญ็ญถ้าหากว่าแก้กันไม่ไหวก็จะนำไปหาท่านอาจารย์ใหญ่เพื่อแก้ไขความสงสัยทั้งหลาย การอยู่นั้นสุดแล้วแต่สถานที่ถ้าเป็นที่สงบสงัดดีบำเพ็ญสมณธรรมได้ผลก็อยู่นานถ้าเป็นที่ไม่ค่อยสงบหรือไม่ได้ผลในการบำเพ็ญสมณธรรมเท่าไรก็จะอยู่ไม่นานการทุดงแบบนี้จะอยู่กันชั่วคราวทุกสถานที่แต่ถ้าเป็นสัปปายะดีก็อาจจะอยู่เป็นเวลาหลายวันหลายเดือนนี่หมายความว่า ได้ประโยชน์ในการบําเพ็ญจริงๆแม้การอยู่จําพรรษาก็เหมือนกันท่านจะต้องแสวงที่ที่จะพึงได้ประโยชน์แก่การบําเพ็ญสมณธรรมจริงๆจึงพยายามหาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งพระอรฤต ธ, ธรรมจึงปรากฏว่าได้ดาเนินถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอย่างแต่การก่อนเช่นที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า รัญเยรุคมูเลวาสุยาคาเรจะพิกโวในป่าใต้โคนต้นไม้เรือนว่างเปล่าที่เป็นสงบสงัดสมควรแก่บุคคลผู้ต้องการด้วยความเพียรและอรุต ธ, ธรรมจะพึงอยู่อาศัยครั้งนั้นแม้แต่พระที่เป็นหลวงตาบวชเมื่อแก่ซึ่งเป็นชาวบ้านโพนเซียงวางองค์หนึ่งได้ติดตามมาปฏิบัติกับ ท, ท่านอาจารย์มั่น และเกรงรัดต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งมีความเพียรอันกล้าหาญจนบังเกิดผลมีความรู้ฉลาดในการปฏิบัติจิตแม้หลวงตานี้จะไม่ได้เรียนทางปริยัติมาเลยแต่อาศัยการเจริญภาวนาค้นคว้าพระธรรมวินัยเฉพาะด้านจิตท่านก็แตกฉานจนถึงเป็นที่พึ่งแก่นักศึกษาธรรมะปฏิบัติรุ่นหลังต่อมาได้ซึ่งปรากฏเป็นที่เคารพนับถือของหมู่คณะได้เป็นอย่างดี พุทธศักราช 2,465 นสณเศนาสนาป่าอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มันพร้อมทั้งสิทธิของท่านอาจารย์ทั้งสองรุ่นแรกและผู้เข้ามาฝึกหัดใหม่รวมกันจำนวนมากจำพรรษาอยู่ที่เศนาสนาป่าบ้านหนองลาดปัจจุบันเป็นโรงเรียนประชาบาล อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนับเป็นเวลาเจ็ดปีที่ท่านอาจารย์ได้เริ่มแนะนำการปฏิบัติธรรมที่ง่ายๆและได้ผลจริงจัง จ, งจนถึงปีนี้และได้มีผู้ที่ได้รับธรรมะชั้นสูงจากท่านจนสามารถสอนธรรมะกรรมฐานแทนท่านได้ก็มากองมาในปีนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งสองใครจะได้ปรับปรุงแผนการให้ได้ผลยิ่งขึ้นทั้งฝ่ายบรรพชิตและเข้ารหั จึงได้มีการรวมประชุมบรรดาสานุรสิษธ์ทั้งหลายให้มาจาพรรษานาที่นี้แม้ท่านอาจารย์ทั้งสองก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติเป็นประจำท่านพระอาจารย์เสาก็ได้มอบให้ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้วางแผนงานตลอดถึงแนะนำธรรมะปฏิบัติเพื่อให้ทุกองค์ได้ยึดเป็นแนวการปฏิบัติใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทางฝ่ายบรรพชิตท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ยืนยันถึงการที่ได้ปฏิบัติมาและแนะนำมาก่อนแล้วนั้นเป็นทางดำเนินถูกต้องแล้วว่าแต่ใครๆอย่าไปแหวกแนวเข้าก็แล้วกันเพราะเมื่อดำเนินมาเป็นเวลาเจปีนี้เกิดผลสมความตั้งใจแล้วคือการปฏิบัติตามอริยสัจธรรมโดยเฉพาะท่านย้ำถึงการพิจารณากายนี้เป็นหลักประกันที่สาคัญยิ่ง ท่านได้ยกตัวอย่างมากมายนับแต่พระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งผู้ที่จะผ่านเข้าสู่อริยสัจจานั้นจะไม่พิจารณากายไม่มีเลยข้อนี้ท่านยืนยันอย่างแน่วแน่การที่ท่านย้ำลงในข้อการพิจารณาโดยอุบายต่างๆนั้นเพราะกลัวสิทธ์จะ่ากันเข้าใจผิดว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกอาจจะเข้าใจคว้เว และจะเป็นการเสียผลเป็นอย่างยิ่งทั้งท่านพระอาจารย์มั่นได้วิตกว่ากลัวผู้ที่ไม่เข้าใจโดยละเอียดท่องแท้จะพากันเควหุนทางและพาให้หมู่คณะที่อยู่ในปกครองเควหุนทางตามไปด้วยเพราะท่านได้นิมิตในภายในสมาธิของท่านณค่นะาคืนวันหนึ่งท่านนิมิตว่าขณะนั้นเป็นเวลาเช้า เราได้พาพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตในละแวกบ้านขณะนั้นก็ได้เกิดนิมิตในสมาธิเป็นที่น่าประหลาดใจขึ้นคือพระภิกษุสามเณรที่ตามเรามาดีๆก็เกิดมีพวกหนึ่งแซงซ้ายบ้างขวาบ้างขึ้นหน้าเราไปบางพวกก็เลยเดินออกไปนอกทางเสียแล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่เดินตามเราไปการนิมิตเช่นนี้ ท่านได้เล่าให้สิทธิ์ของท่านฟังทุกทุกองพร้อมทั้งอธิบายว่าที่มีพวกภิกษุสามเณรแซงท่านขึ้นไปข้างหน้านั้นคือบางพวกจะพากันอวดตัวว่าเก่งว่าดีแล้วก็จะละจากข้อปฏิบัติที่เราได้พาดำเนินครั้นแล้วก็จะเกิดความเสื่อมเสียไม่ได้ผลตามที่เคยได้ผลมาแล้วซึ่งเขาเหล่านั้นก็จะมาอ้างเอาว่าเป็นสิทธิ์ของเราแต่ที่ไหนได้ พากันหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่างๆที่เรากำหนดให้ไว้ที่สุดแม้แต่สิ่งเล็กๆเนยน้อยเช่นสีจีวรเป็นต้นการจะปฏิบัติเพื่อการพิจารณากายอันนับเนื่องด้วยอริยสัจธรรมก็ยิ่งห่างไกลจำพวกหนึ่งเดินออกนอกทางคือจำพวกนี้เพียงแต่ได้ยินกิตติศัพท์เราแล้วก็อ้างเอาว่าเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์มัน บางทีจะยังไม่เคยเห็นหน้าเราเสียด้วยซ้ําและก็หาได้รู้อุบายแยบคายในการปฏิบัติแต่อย่างใดไม่หรือพวกที่เคยอยู่กับเรามาแต่ไม่อยู่กับเราก็เคร่งครัดเพราะกลัวแต่พอออกจากเราไปแล้วก็ไม่นําพาในข้อธรรมและการปฏิบัติของเราเพียงแต่มีชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์มั่นเท่านั้นแต่ไม่มีข้อปฏิบัติอันใดที่จะถือได้ว่าเป็นแนวทางเป็นตัวอย่าง น, นำมาจากเราเลยจำพวกหนึ่งที่เดินตามหลังเราไปนั้นจำพวกนี้เป็นผู้ดำเนินตามคำแนะนำของเราทั้งภายนอกและภายในเป็นผู้ใกล้ต่อธรรมต้องการพ้นทุกในวตาสงสารพยายามศึกษาหาความรู้ทุกๆประการที่มีความสนใจต่อหน้าหรือลับหลังก็เหมือนกันรับข้อปฏิบัติแม้เล็กน้อย รักษาไว้ด้วยชีวิตจิตใจเพราะจำพวกนี้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติมากับเราแล้วเกิดผลละเอียดอ่อนจากข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะแปรพันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พวกที่ออกนอกลู่นอกทางนั้นคือเข้าเหล่านั้นไม่ได้รับผลอย่างจริงจังจากการปฏิบัติอยู่กับเราเพราะเหตุที่ไม่ได้ผลจริงนั่นเอง ทำให้เกิดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจแต่พวกที่เดินตามเรายอมได้รับความเจริญการที่ท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตของสิทธิของท่านเพื่อเตือนสติให้ระลึกถึงความที่ว่าธรรมปฏิบัติที่ท่านได้อุตสาหลงทุนลงแรงภาคเพียนพยายามทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนบังเกิดผลมหาศาล จะพึงอยู่นานได้เพียงไรนั้นก็แล้วแต่สิทธ์ทั้งหลายจะพากันมีสติหรือภาคเพียนเพื่อให้เกิดผลจริงจังจะรักษาการปฏิบัติเหล่านี้ได้ถ้าใครจะพึงกล่าวว่าเป็นสิทธิท่านพระอาจารย์มัน่นเขาก็จะได้รักษาไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มัน่นผลลับที่ได้ก็จะได้สมจริง นอกจากการที่ท่านได้เน้นหนักในการรักษาแผานาการสอนและแนวทางด้านการปฏิบัติของพระภิกษุสมณะแล้วท่านมาแสดงถึงพุทธบริษัททางด้านคารวาสทางคารวาสท่านเน้นหนักการเชื่อถือเพราะปรากฏว่าพุทธบริษัทบางจําพวกพาดกันไปนิยมนับถือในสิ่งที่ผิดเสืีอมากเช่นนับถือพูดผีปีศาสนับถือสารเจ้าที่นับถือการเข้าทรง นับถือเทพเจ้าต่างๆนับถือสารพระภูมินับถือต้นไม้ใหญ่นับถืออารามเก่าแก่ซึ่งการนับถือสิ่งเหล่านี้นั้นมันผิดจากคำสอนพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นการนับถือที่งมงายมากผู้ที่เป็นพุทธบริษัทไม่ควรที่จะนับถือสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเมื่อไป น, นับถือสิ่งเหล่านี้เข้าก็ เ, าเท่ากับเป็นอ่อนการศึกษามากหรือขาดปัญญาในพระพุทธศาสนา เขาเหล่านั้นได้ปฏิญาณตนว่าได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วกลับมีจิตใจกลับกรอกหลอกห ล, อ, กลอนตนเองไม่นับถือจริงเพราะถ้านับถือจริงก็ต้องไม่นับถือสิ่งที่งมงายที่พระพุทธองค์ทรงตาหนิแล้วดังนั้นจึงปรากฏในภายหลังว่าภิกษุผู้เป็นชั้นหัวหน้าผู้ที่ได้รับการอบรมจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว จะต้องรู้จักวิธีการแก้ไขผู้นับถือผิดเกี่ยวกับพูดผีปีศาจเป็นต้นได้ทุกองถ้าแก้สิ่งงมงายเหล่านี้ไม่เป็นหรือพลอยนับถือไปกับเขาเสียเลยก็จะได้รู้ทันทีว่าไม่ใช่สิทธิท่านพระอาจารย์มั่นแน่นอนเพราะว่าการแก้เรื่องพูดผีปีศาจเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากการนับถือที่ฝังอยู่ในสันดานมานานแล้วและสถานที่อันเป็นเทวสถานหรือพูดผีอยู่ ก็จะถือว่ามันศักดิ์สิทธิ์พากันหวาเสียวไม่กล้าจะถ่ายถอนหรือกำจัดออกไปท่านอาจารย์มั่นได้แนะนำทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการถอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิธีการแนะนำโดยอุบายต่างๆเมื่อท่านแนะวิธีแล้วท่านจะใช้ให้ไปทดลองปฏิบัติงานดูถึงผลงานที่ท่านเหล่านั้นไปปฏิบัติงาน ท่านพระอาจารย์มั่นได้อธิบายว่าอันที่จริงการนับถืองมงายนี้เกิดจากการไม่เข้าใจทองแท้ในพระพุทธศาสนาหรือขาดการศึกษาอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนานั่นเองยิ่งชาวชนบทห่างไกลความเจริญแล้วก็ยิ่งมีแต่เชื่อความงม ง, งายกับสิ่งเหล่านี้ยังเป็นล่ําเป็นสันจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากมากทีเดียวไม่ต้องพูดถึงว่าชาวชนบทจะพากันหลงงม ง, ง, ง, ง, งายหรอก แม้แต่ชาวเมืองหลวงยังในกรุงเทพก็ตามยังพากันหลงงมงายในสิ่งเหล่านั้นมากเช่นเจ้าพ่อนั่นเจ้าพอนี่บางแห่งพากันสร้างเป็นเทวสถานแล้วก็ไปบูชาถือเอาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก็มีมากมายในเรื่องเหล่านั้นพระเทระบางองค์ถือว่าไม่สําคัญแต่ท่านได้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกทีเดียวเพราะการจะเข้าถึงซึ่งความเป็นพระอริยะในขั้นแรก คือพระโสดาบันก็จะต้องแก้ไขถึงความเชื่อถือในเรื่องความงมงายเหล่านี้ให้หมดไปเพราะท่านพระอาจารย์มั่นท่านต้องการสอนคนให้พ้นทุกข์จริงๆสอนคนให้เป็นอริยะกันจริงๆซึ่งบางคนพากันบำเพ็ญภาวนาได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์ของตนว่ามีธรรมะปฏิบัติชั้นสูงเกิดขึ้นในใจแล้วแต่เขานั้น ยังหักความหลงงม ง, งายในการนับถือเหล่านั้นใช้ไม่ได้เป็นอันขาดชั้นสูงในที่นี้ท่านหมายเอาถึงอริยสัจเพราะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยต้องไม่มีแก่ใจของบุคคลผู้มุ่งหน้าปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยะในปีนี้ท่านได้แนะนำแก่พระภิกษุแทบจะถือได้ ว, ว่า ล้วนแต่หัวหน้าทั้งนั้นจึงเท่ากับท่านได้แนแนวสําคัญให้แก่บรรดาสิทธโดยแท้จึงปรากฏว่าหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นได้ทุดงไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วมอบสิทธทั้งหลายให้แก่ท่านอาจารย์สิงห์กัญญาขโมซึ่งสิทธเหล่านี้เป็นสิทธชั้นหัวกะทิทั้งนั้นจึงเป็นกําลังให้ท่านอาจารย์สิงห์ในการที่จะปราบพวกนับถือผิดมีพูดผีได้เป็นอย่างดี นับแต่ท่านได้พาคณะออกจากจังหวัดอุบลเมื่อพุทธศักราช 2,472 นั้นแล้วก็เริ่มแก้ไขสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยการเข้าไปอยู่ที่นั้นแนะนำประชาชนให้ทราบถึงข้อเท็จจริงจนเป็นที่เชื่อมั่นแล้วพากละาจากการนับถือพูดผีกันมากมายทีเดียวในจังหวัดทั้งหลายมีอุบลขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมา ตามที่ท่านคณาจารย์เหล่านี้ผ่านไปแล้วจะปรากฏได้ถูกแนะนำให้เลิกจากการนับถือที่งมงายลงมากมายนั้นเป็นสมัยตื่นตัวและพากันได้ทราบความจริงอย่างมากมายซึ่งชาวชนบทจะไม่เคยได้รับธรรมะคำสั่งสอนเช่นนี้มาก่อนเลย ทศราช2466เสนาสนะป่าบ้านหนองบัวลาพูในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านหนองบัวลาพูอำเภอหนองบัวลาพูจังหวัดอุดรธานีนับเป็นปีที่8แห่งการแนะนำการปฏิบัติธรรมซึ่งบังเกิดผลอย่างดียิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากท่านมีญาณสามารถรู้อุปนิสัยของบุคคลท่านจึงเลือกสอนบุคคลที่ควรแก่การสอนบุคคลใดไม่มีนิสัยที่จะพึงปฏิบัติให้เกิดผลท่านก็ไม่สอนให้เสียเวลาโดยเฉพาะท่านก็ใช้เวลาสอนพระภิกษุสามเณรที่เป็นส่วนใหญ่เพราะท่านมีอุดมคติในใจของท่านอยู่ว่าพระภิกษุสามเณรถ้าหากสอนให้ได้ผลดีแล้วพระภิกษุสามเณร น, นั้น แม้องค์เดียวก็สามารถสอนค า, ารวาสได้นับเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเหตุนั้นท่านจึงพยายามอบรมและแนะนำพระภิกษุสมณเณรจริงๆและก็บังเกิดผลจริงๆผ่านมาแปดปีได้ผลอย่างอัศจรรย์ยิ่งและได้เพิ่มผู้รู้ผู้ฉลาดในการปฏิบัติอย่างหนาแน่นก่อนจะเข้าพรรษานี้ท่านอาจารย์กูพระอาจารย์หลวงตาพิจารณ์ ท่านอาจารย์กว่าสุมโนเป็นสามเณรและท่านอาจารย์เทศเทสะอรังสีกับท่านอาจารย์ภูมมีทิตธรรมโมพระอาจารย์หลวงตาซาพระอาจารย์มหาปินปัญญาภโลพระครูปหลัดอ่อนตาที่อยู่วัดบ้านเดือในและนอกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้อยู่ณที่นี้เป็นเวลานานได้ทําการอบรมในข้อปฏิบัติเพื่อให้ซึงยิ่งขึ้นเพราะการปฏิบัติ จ, จิตใจ เมื่อปฏิบัติไปจนเป็นจริงขึ้นมาแล้วจึงจะได้ศึกษาความจริงนั้นหมายความว่าต้องเป็นขึ้นมาในตัวของแต่ละบุคคลการแนะนำโดยการอธิบายล่วงหน้าคือการบอกแนวทางนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็อธิบายเพื่อความมั่นใจและที่แท้คือการพูดด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประการสาคัญอย่างนี้เรียกว่าภูมิจิต ซึ่งเป็นคำที่ท่านพร่ำเสมอว่าภูมิจิตภูมิจิตของใครดำเนินไปได้แค่ไหนนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้ถามกันอยู่ตลอดเวลาเรื่องการสอบสวนถึงภูมิจิตนี้เมื่อใครพระเนนรูปใดเข้ามาศึกษาอย่างใหม่พวกเราก็ไต่ถามกันเองและแนะนำกันเองไปเรามาตอนหลังๆนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนเฉพาะภูมิจิตชั้นสูงแล้วฉะนั้นในเบื้องต้นใครมีความรู้พอสมควรก็แนะนำกันในฐานะเป็นพี่เลี้ยงการกระทาเช่นนี้มีได้ถือว่าเป็นการเสียเกียรติของผู้ที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติใหม่เป็นการแบ่งภาระจากท่านพระอาจารย์มั่นเพราะการศึกษาขั้นต้นนั้นผู้ที่ได้เคยศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นมาก่อนแล้ว ก็ยอมให้คําแนะนำได้อย่างเดียวกับท่านพระอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันยิ่งครั้งหลังสุดเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นอายุเจสบกว่าขึ้นไปแล้วท่านไม่สอนเลยทีเดียวในเบื้องต้นเมื่อผู้ใดพระเนนองค์ใดเข้ามาฝึกใหม่ท่านจะให้พระเก่าที่ได้รับการศึกษาแล้วแนะนำให้แม่เมื่อครั้งท่านเจ้าขุนอริยะเวทีมหาเขียน ท่านพระครูพระมหาบัวยาณสัมปันโนเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติเมื่อพุทธศักราช2485ถึง2488ทั้งสององค์ยังต้องรับการฝึกหัดแนะนำจากท่านวิริยังศิรินทโรเชก่อนเราท่านวิริยังแม้ขณะนั้นพรรษาพระเพียงสองถึงสพรรษาเท่านั้นแต่ได้ปฏิบัติมานานเชี่ยวชาญการแนะนาทางจิตซึ่งสามารถสอนให้ปฏิบัติเบื้องต้นได้ ทั้งสององค์คือพระมหาเขียนและพระมหาบัวก็ต้องศึกษากับท่านวิริยังสักดก่อนทั้งนี้เพื่อให้ได้ลูกทางในอันที่จะศึกษาชั้นสูงต่อไปกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นการแบ่งเบาภาระการสอนของท่านพระอาจารย์มั่นแม้ตัวเราเองขณะที่อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นก็ต้องรับภาระนี้ตลอดมาเช่นกันเพราะเหตุที่มีสิทธิ์ต่างได้รับภาระของครูบาอาจารย์ได้เช่นนี้ จึงทําให้การสอนและดำเนินการได้ผลกว้างขวางขึ้นมากเนื่องด้วยเหตุที่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ในการปฏิบัติธรรมและเชื่อกันในขณะนั้นว่าถ้าผู้ใดอยู่ปฏิบัติกับท่านแล้วต้องได้รับผลนั้นเป็นความเยือกเยน็นหรือความสว่างบริสุทธิ์แน่นอนจึงทาให้พระภิกษุสามเณรผู้มีความหวังผลในการปฏิบัติธรรมได้หลั่งไหลไปทาการศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นมากขึ้น ยิ่งวาระสุดท้ายก็ยิ่งมากขึ้นตามลําดับขณะที่พักปฏิบัติธรรมร่วมอยู่กับท่านนั้นท่านได้าพาบําเพนเองจะมีการประมาทไม่ได้ต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคลถ้าผู้ใดประมาทหรือไม่พยายามเพื่อการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วท่านจะต้องทราบในญาณของท่านทันที ท่านก็จะตักเตือนในขั้นแรกเมื่อผู้นั้นเชื่อก็ดีไปแต่ถ้าไม่เชื่อท่านจะตักเตือนเป็นครั้งที่สองเมื่อผู้นั้นเชื่อก็ดีไปถ้าไม่เชื่อท่านจะตักเตือนเป็นครั้งที่สามครั้งนี้ถ้าไม่เชื่อท่านก็ไล่ออกไม่ให้อยู่ต่อไปฉะนั้นถ้าหากองใดาสามารถอยู่กับท่านได้เป็นเวลานานพอสมควรก็จะต้องได้ผลสมความตั้งใจแน่นอน เพราะนโยบายและอุบายการฝึกหัดของท่านนั้นมีเพียบพร้อมพร้อมที่จะแนะนำให้แก่ศิษย์ทุกๆองค์ที่มีนิสัยเป็นประการใดท่านก็จะแสดงธรรมหรืออบรมตามที่มีนิสัยวาสนามาอย่างไรจึงทําให้ได้ผลอย่างมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งในข้อนี้ผู้ที่เคยไปอยู่ศึกษาปฏิบัติมากับท่านแล้วจะทราบได้ดีด้วยตนเอง การปฏิบัติอันเป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นภาสิทธิ์ของท่านปฏิบัตินั้นออกจะแปลกกว่าบรรดาพระปฏิบัติหรือพระอื่นๆในสมัยนั้นมากเช่นการฉันหนเดียวการฉันในบาดเป็นต้นเพราะการฉันในบาดนี้เวลาไปในบ้านหรือเขานี้มนให้ไปฉันในบ้านต้องเอาบาดไปด้วยเขาจัดสหรับข้าวหวานมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีท่านก็เอาเข้าใส่บาดหมด ด้วยเหตุที่ท่านได้นํามาปฏิบัติเช่นนี้สิทธิผู้หวังดีและใครในธรรมกับได้ผลการปฏิบัติมาแล้วก็ต้องรักษาข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่านพระครูประหลัดอ่อนตาท่านมีความเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่งและสนใจต่อข้อปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นยิ่งนักแต่เนื่องด้วยท่านพระครูรูปนี้ท่านมีนิสัยสนใจมานานแล้วเมื่อมาได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเข้า ยิ่งทำให้ท่านได้มีความเลื่อมใสต่อข้อปฏิบัติพินโยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่การปฏิบัติตามที่ได้ปฏิบัติตามแนวของพระอาจารย์มั่นนั้นแต่แนวการปฏิบัตินี้มิใช่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านตั้งขึ้นเองซึ่งเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติจริงเช่นนี้ย่อมเป็นการขัดข้องต่อบุคคลบางคนเป็นธรรมดาเพราะบางคนหาว่ารุ่มร่าม หาว่าอวดเคร่งใน่ามกลางชุมมุญชนหาว่าไม่รู้กาลเทศะหาว่ า, ราคร่ามคลืหาว่าเป็นคนล้าสมัยพากันว่ากันไปต่างๆนานาท่านพระครูจึงได้นำข้อคอราหาเหล่านี้เข้ากราบเรียนต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่าพวกเราปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยทุกประการย่อมเป็นการขัดข้องเขาหาว่าเราปฏิบัติเคร่งครัดเกินไปไม่รู้จักกาลเทศะรคร่ามคลื ไม่ทันการทันสมัยท่านอาจารย์มั่นจึงได้ตอบว่าพวกเราผู้ปฏิบัติพระธรรมวิไนนยนั้นจะถือเอาชาวบ้านนักบวชผู้นอกรีตเป็นศาสดาหรือจะถือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราถ้าจะถือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของตนก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวิไนที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการ หรือถ้าต้องการเอาผู้อื่นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาก็จงปฏิบัติตามผู้นั้นไ ป, ปรั้นท่านพระครูประลัดอ่อนตาได้ฟังพระอาจารย์มั่นพูดแนะนำอุบายเท่านี้ก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสในข้อปฏิบัติต่างๆที่ได้ดำเนินตามท่านพระอาจารย์มั่นและก็การปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นก็คือปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดและตรงแนวเมื่อท่านพระครูประลัดอ่อนตาได้อยู่อบรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วท่านได้ลาพระอาจารย์มั่นเดินทุดงไปตามสถานที่อันสงัดวิเวกตามชนบทหมู่บ้านอันอยู่ชายป่าและภูเขาจนได้รับความเย็นอกเย็นใจเป็นไปกับด้วยความเพียรตามสมควรแล้วท่านก็กลับไปทางภูมิลาเนาเดิม แต่ไม่ได้เข้าไปพักที่วัดเดิมของท่านได้เลยไปพักอยู่ที่ริมหนองน้าแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับบ้านโนนทันต่อมาได้เป็นวัดชื่อวัดโยธานิมิตจนถึงปัจจุบันนี้และใกล้กับกรมทหารด้วยสมัยนั้นกรมทหารเพิ่งจะยกมาตั้งอยู่ใหม่ทั้งยังไม่มีวัดอื่นที่ใกล้เคียงนั้นด้วยผู้บังคับการทหารพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้นิมนต์ให้ท่านพักอยู่ในสถานที่นั้น แล้วช่วยกันจัดการทุกๆอย่างจนเป็นวัดขึ้นโดยสมบูรณ์เพื่อให้ถูกกับทหารสร้างจึงให้นามว่าโยธานิมิตต่อมาไม่นานท่านพระครูประหลัดอ่อนตาพร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหมดมีความเห็นพร้อมกันว่าเราก็ได้ปฏิบัติข้อวัดธรรมะทุกอย่างตามรอยของท่านพระอาจารย์มั่นจนได้รับผลอย่างพอใจพวกเราแล้ว ยังขาดสิ่งสำคัญคือยังไม่ได้เป็นพระธรรมยุทธ์เหมือนท่านเพื่อให้เป็นการสมบูรณ์ในการเลื่อมใสในตัวท่านและข้อปฏิบัติของท่านเราควรทำทันนีกรรมเสใหม่เมื่อพร้อมใจกันแล้วก็ได้นิมนต์ท่านเจ้าขุนธรรมเจดีจูมพันธุโลมาเป็นอุปชายยะเมื่อสําเร็จแล้วท่านพระครูประหลัดอ่อนตาก็พาคณะไปอยู่ที่วัดโยธานิมิตนั้นตามเดิมท่านจ้ขุนธรรมเจดี ก็ให้ท่านอาจารย์สุวรรณสุจินโนผู้ทรงคุณวุฒิอายุพรรษามากเป็นลูกศิษย์ต้นของท่านพระอาจารย์มั่นให้ไปอยู่ด้วยเพื่อเป็นการให้นิสัยแต่ท่านพระครูประหลัดอ่อนตาท่านก็คงแกวเรียนมาแล้วและเป็นผู้รักในการปฏิบัติตามแนวของท่านพระอาจารย์มั่นอย่างดีแล้วก็เป็นอนุรักษ์ผิดชอบในตัวเองได้ในการต่อมาไม่ช้านัก ท่านอาจารย์สุวรรณก็จาริกไปหาวิเวกส่วนตัวและท่านพระครูประหลัดอ่อนตาก็อยู่ในวัดนั้นทำประโยชน์ในด้านการปฏิบัติและแนะนำพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสืบต่อไปพุทธศักราช2467 เสนาสนะป่าบ้านคอรอบสองท่านพระอาจารย์มั่นได้พักจำพรรษาที่บ้านคออำเภอผืออุดรธานีเป็นรอบที่สองแต่ย้ายสถานที่ใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดแล้วการจำพรรษานี้นั้นก็เช่นเดียวกับพรรษาก่อนๆเนื่องด้วยมีพระภิกษุสามนเณรสนใจในตัวของท่านมากขึ้น จึงได้หลังไหลมาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านมากขึ้นเป็นลาดับและท่านก็ได้แนะนำข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้ตามที่ได้แสดงไว้แล้วโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พิสูจน์ได้แน่ชัดแล้วว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงและได้ผลแก่บุคคลผู้ตั้งใจจริงเป็นแต่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านคอยประครับประคองและเป็นผู้นาเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังแก่ผู้หวังดี ดังนั้นเมื่อผู้ได้เข้าไปศึกษาปฏิบัติกับท่านแล้วจึงไม่มีการผิดหวังได้ผลแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวพอออกพรรษาท่านก็จะพาออกทุดงสแสวงหาที่สงัดวิเวกแยกกันออกเป็นหมู่เล็กๆ เ, เพื่อไม่ให้เป็นปริโพ์ในหมู่มากคือเป็นกังวลในหมู่คณะปีนี้ท่านได้เดินทุดงไปทางบ้านนาหมีบ้านนายงและบ้านผาแดงแก้งไก ท่านได้พาคณะไปพักอยู่ที่ป่าในหุบภูเขาแห่งหนึ่งและมีหมู่บ้านอยู่ในที่ใกล้ๆนั้นเป็นที่อยู่กลางดงลึกมากเดินเป็นวันๆเต็มๆจึงจะถึงไกลาจากคมนาคมมากทีเดียวณนะที่หมู่ภูเขานั้นมีภูเขาลูกหนึ่งมีลักษณะเหมือนตึกหลายชั้นซึ่งไม่ไกลาจากหมู่บ้านนั้นเท่าไรนักในภูเขาลูกนั้นมีผีตีนเดียวอยู่ตัวหนึ่ง ผีตัวนั้นมันได้เข้าไปอรารวาดพวกชาวบ้านอยู่บ่อยๆคือมันทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างถึงให้ตายบ้างบางครั้งเอาไฟไปเผาบ้านของเขาบ้างคว้างคอนป่าไม้ใส่คนใส่สัตว์เลี้ยงบ้างเวลามันจะเข้าไปประทุสร้ายคนในบ้านนั้นได้แสดงกิริยาอาการไม่ผิดอะไรกับคนธรรมดาต่างแต่ไม่เห็นตัวมันเท่านั้นเสียงมันเดินได้ยิน รอยเท้าก็เห็นต่ใหญ่และยาวกว่ารอยเท้าของคนธรรมดาท่อนไม้ที่มันเอาคว้างไม่หมดก็เห็นทิ้งไว้เป็นกองกองบางคืนพวกชาวบ้านไม่ได้นอนเพราะมันอลาวาดไม่หนีแม้การไปนอนค้างคืนในป่าของบางคนเพื่อเฝ้าไร่เฝ้านาหรือด้วยกิจอย่างอื่นก็ดีย่อมไม่ได้รับความผาสุกเสียเลยถูกแต่เจ้าผีตัวนี้มันรบกวนอยู่เสมอครั้งท่านพระอาจารย์มันไปพักอยู่ที่นั้น พวกชาวบ้านได้เข้าไปร้องทุกข์ต่อท่านขอให้ท่านได้เมตตาแก่เขามากๆเมื่อพระคุณท่านจะมีวิธีใดพอจะเปื้องทุกนี้ออกได้เขามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกอย่าง<อ>เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้ทราบถึงความทุกข์เดือดร้อนของชาวบ้านอย่างนั้นแล้วท่านก็ได้พยายามเจริญเมตตาฌานอย่างมากพร้อมทั้งแนะนาให้พระที่ติดตามมาช่วยกันเจริญเมตตาฌาน และได้แนะนำชาวบ้านโดยธรรมะเบื้องต้นคือให้ชาวบ้านมาปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณะคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาและให้รักษาศีลห้ากรรมบุตรสิ บ, บ ท, ทั้งสอนให้ไหว้พระสวดมนต์บําเพ็ญกรรมฐานภาวนาจเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำทุกวันนับแต่นั้นมาเมื่อท่านได้พักอยู่ที่นั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านนั้นก็ได้สงบระ ง, งับไป เมื่อท่านได้ออกไปจากสถานที่นั้นแล้วภายพิบัติเหล่านั้นก็สงบอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดสิบปีต่อมาคนเก่าที่สำคัญก็ตายไปบ้างทั้งไม่เคยมีผีตัวนั้นมาอารวาดบ้างทั้งไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงบ้างเลยพากันละเลยข้อวัดปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้แนะนานสั่งสอนไว้ภายหลังปรากฏว่าผีตัวนั้น ได้กลับเข้าไปทำการอรารวาสพวกชาวบ้านนั่นอีกในครั้งนี้ถึงกับได้พากันอกพยพครอบครัวหนีไปหมดเพราะฝืนอยู่ต่อไปไม่ได้เสียแล้วจึงได้ทอทิ้งให้มันเป็นป่าตามสภาพเดิมของมันต่อไปท่านอาจารย์สุวรรณสุจินโนท่านองค์นี้ถือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นแรกพร้อมกับท่านอาจารย์สิงหขันตยาขโม ปีนี้ท่านได้พยายามติดตามท่านพระอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ทราบความตื้นลึกหนาบางของข้อวัดปฏิบัติอันเป็นภายนอกและการดำเนินจิตอันเป็นภายในการดำเนินจิตนอกจากจะหาอุบายเพื่อทำลายกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์แล้วยังมีการทำให้เป็นอย่างอื่นๆอีกมากมายแม้แต่ท่านพระอาจารย์มั่นเองก็ได้เคยทามาให้เป็นตัวอย่างแก่สานุสิทธิ์แล้วเช่นเมื่อท่านอาพาธ ท่านใช้ระ ง, งับอ า, าพาธของท่านเองด้วยกําลังจิตและระ ง, งับอ า, าพาธให้แก่บุคคลอื่นด้วยกําลังจิตในการครั้งนั้นท่านอาจารย์สุวรรณท่านเป็นไข้มาเลาเรียเรื้อรังจนป้างย่อนคือม้ามย้อยหรือม้ามโตอันเป็นผลมาจากไข้มาเลาเรียนั่นเองโรคนี้เองที่ทําความรําคาญให้แก่ท่านตลอดเวลาซึ่งทําให้จับไข้วันเว้นวันและทําให้กําลังสุดลงสุดลง ท่านจึงได้เข้าปรึกษาการรักษาโรคนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้แนะนำอุบายให้คือเมื่อบำเพ็ญจิตให้เกิดกระแสแต่ก่อนที่เราบำเพ็ญมาในเบื้องต้นนั้นเราทำจิตให้เกิดกำลังแล้วจิตก็จะเกิดกระแสกระแสจิตนี้มีกำลังมากขึ้นจากการอบรมเราได้ใช้กระแสจิตนี้พิจารณากายทุกส่วนจนเกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาและอบรมให้มากก็เป็นผลคือจิตดำเนินเข้าสู่อริยสัจเมื่อเราจะนำมาเป็นประโยชน์แก่การรักษาโรคของตัวของเราเราก็พึงใช้กระแสจิตนี้เพ่งเข้าที่เกิดโรคเราเป็นโรคอะไรที่ไหนต้องพิจารณาให้เห็นสมุดฐานของมันเสียก่อนว่าตำแหน่งที่เกิดโรคอยู่ตรงไหน เมื่อทราบชัดแล้วก็ใช้กระแสจิตเพ่งเข้าไปการเพ่งเข้าไปในที่นี้ก็เหมือนกับเราพิจารณากายเหมือนกันต่างแต่การกำหนดแก้โรคนี้ต้องกำหนดลงจุดเดียวณที่สมุดฐานของโรคนั้นเมื่อท่านอาจารย์สุวรรณได้อุบายนี้แล้วก็ได้ไปดาเนินจิตอยู่อย่างนั้นองค์เดียวที่เปลวแห่งหนึ่ง กำหนดลงครั้งแรกได้เห็นสมุดฐานการเกิดของโรคคือม้ามท่านได้กำหนดลงจุดเดียวด้วยอำนาจแห่งกระแสจิตอันเป็นแสงคมกล้าเพียงสามวันเท่านั้นก็ปรากฏชัดขึ้นในจิตรันแล้วก็หายจากม้ามหย่อนนั้นฉับพลันท่านคลำดูอยู่ทุกวันแต่การก่อนม้ามนี้ได้ยานลงมาประมาณฝ่ามือหนึ่งบัดนี้ได้หดเข้าอยู่เท่าเดิม ตั้งแต่นั้นมาไข่ป่ามาเลเรียก็หยุดจับร่างแข็งแรงเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ท่านได้เอาไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์มั่นก็รับรองครั้งท่านพระอาจารย์มั่นได้พักวิเวกอยู่ที่ผาแดงแกงไก่พอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางไปทางอำเภอท่าบ่อได้เข้าไปพักอยู่ที่ราวป่า ใกล้กับปา่าช้ากองอำเภอท่าบ่อ น, นั้นซึ่งปัจจุบันเป็นวัดอรัญยวาสีหน้าที่นั้นเองนับเป็นครั้งสำคัญยิ่งครั้งหนึ่งที่บรรดาท่านผู้ที่มีบุญมีวาสนามาศึกษาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านหลายองค์คือท่านอาจารย์อุ่นธรรมะทโรท่านอาจารย์อ่อนยานสิริท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านอาจารย์กว่าสุมโน ท่านเหล่านี้ได้ตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้ท่านพระอาจารย์มั่นจะแนะนำเช่นใดท่านทุกองค์ต้องทำตามให้จนได้จนปรากฏว่าทุกองค์ได้ผลทางใจอย่างยวดยิงเริมสายท่านพระอาจารย์มั่นอย่างถึงขีดสุดแล้วก็ได้ขอให้ท่านจัดการที่จะทำการบวชใหม่เพราะทุกองได้เป็นพระมหานิกยมาก่อน ท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้อาราธนาท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลมาเป็นอุปชาทัานหิกรรมให้จนเป็นที่เรียบร้อยทุกประการท่านอาจารย์ทุกองคนี้ภายหลังได้ทำประโยชน์แก่หมู่ชนอย่างใหญ่หลวงทุกๆองค์โดยที่ท่านได้แนะนำผู้เป็นพระภิกษุสามเณรและโยมให้ได้รับธรรมะอันลึกซึ้งมากมายทีเดียวและท่านเหล่านี้ทุกองได้สร้างสานักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน อง์ละหลายสํานักซึ่งก็ปรากฏเป็นสํานักปฏิบัติธรรมอยู่จนบัดนี้มีมากมายหลายแห่งทั่วทุกภาคในประเทศไทยพุทธศักราช2468เสนาสนาป่าอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ในปีนี้ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนาป่าอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายซึ่งเป็นวัดอรัญวาสีในปัจจุบันพระอาจารย์เสาพักจำพรรษาที่วัดราดใกล้บ้านน้ําโขงปัจจุบันชื่อวัดพระงามท่านอาจารย์สิงห์และท่านมหาปิน่นจำพรรษาบ้านหนองปลาไหลสถานที่ท่านพระอาจารย์เสาวพักอยู่นั้น มีพระพุทธรูปเก่าสมัยเวียงจันทร์ชารุดไปบ้างท่านพร้อมกับท่านพระอาจารย์มั่นได้เป็นผู้บูรณะให้ปกติดังเดิมเมื่อทําเรียบร้อยแล้วประชาชนได้ไปเห็นก็พากันกล่าวชมว่างามภายหลังจึงเรียกชื่อวัดนั้นว่าวัดพระงามต่อมาจนถึงทุกวันนี้อันหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในท้องถิ่นนั้นก็ได้แนะนาธรรมะปฏิบัติจนเกิดความเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธศาสนา แล้วก็ปรากฏว่าประชาชนแถบนั้นได้เป็นผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมจนถึงทุกวันนี้ครั้นออกพรรษาแล้วได้พาคณะทุดงวิเวกไปทางบ้านหนองปลาไหลและไปถึงบ้านอากาศซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภออากาศอํานวยท่านอาจารย์สิงขันตยาขโมก็มารอพบท่านอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาธรรมะบางประการ ท่านอาจารย์เทศเทษรังสีกับพระอีกสีรูปก็ได้ทุดงตามท่านต่อไปจนถึงบ้านสามผงดงพนาวพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งณสถานที่วิเวกแห่งนี้ได้กลับกลายเป็นสถานที่สำคัญคือได้เกิดมีพระอาจารย์ผู้มีบุญวาสนาบารมีได้เข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติเช่นพระอาจารย์เกิงอธิมุตกโกและคณะของท่าน เพราะท่านอาจารย์เกิงเป็นพระอุปชาด้วยผู้คนในละแวกนั้นนับถือมากเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อได้ยินข่าวท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่ที่ป่าและทราบิติศัพท์มานานแล้วจึงใคร่ที่จะทดลองไต่ถามอัฐปัญหาต่างๆท่านอาจารย์เกิงพร้อมคณะจึงได้ไปพบท่านที่ป่าแห่งนั้นเมื่อได้ไต่ถามอัฐปัญหาธรรมต่างๆ ท่านอาจารย์เกิงและคณะก็เกิดความอัศจรรย์ในการโต้ตอบอัฐปัญหาของท่านพระอาจารย์มั่นเพราะแต่ละคำที่ได้รับคาตอบตรงใจจริงๆตอนหนึ่งท่านอาจารย์เกิงได้ถามว่าท่านปฏิบัติจิตกรรมฐานเพื่ออะไรได้รับคำตอบว่าเพื่อความบริสุทธิ์ถามว่าความบริสุทธิ์เกิดจากอะไรตอบว่า เดจากอริยสัจธรรมถามว่าสัจธรรมอยู่ที่ไหนตอบว่าอยู่ที่ตัวของคนทุกคนถามว่าอยู่ในตัวของคนทุกๆคนทำไมทุกคนจึงไม่บริสุทธิ์ตอบว่าเพราะเขาม่รู้วิธีการถามว่าทำไมจึงจะต้องมีวิธีการ ตอบว่าเหมือนกับทรัพยากรพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่ใต้ดินคนไม่มีวิธีการก็เอาแร่ธาตุทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ไม่ได้แร่ธาตุจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีวิธีการนําขุดนําเอามาใช้ให้ถูกต้องตามวิธีการแม้อริยะสัจธรรมก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะอยู่ในตัวเราเองก็จะต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง จึงจะบังเกิดเป็นอริยสัจจะได้เท่านี้เองท่านอุปชาเกิงอธิมุตตโกก็เลื่อมใสและเข้ามาขอปฏิบัติอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นจนเกิดความเย็นใจเป็นอย่างยิ่งได้ขอมอบตัวเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นพร้อมใจกันกับสิทธิ์เราได้ปฏิบัติจิตกันทั้งสิทธิ์อาจารย์ยอมสละบวชทาทัานฮิกรรมไมเป็นพระธรรมยุธทธธรรมวัด ในครั้งนั้นจึงทำให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เรื่องลือกันว่าพระอาจารย์มั่นเป็นผู้วิเศษสำคัญเพราะได้ทรมานพระอาจารย์เกิงได้เนื่องจากชาวบ้านชาวเมืองเลื่อมใสพระอาจารย์เกิงมากในปีนี้จึงเป็นปีสำคัญมากปีหนึ่งเพราะหลังจากท่านอาจารย์เกิงได้มาเป็นศิษย์แล้วยังมีท่านยาดูศีลาที่เป็นอาจารย์ยาอยู่แถบนี้เหมือนกันเป็นเพื่อน ก, นกันกับอาจารย์เกิง เมื่อทราบว่าเพื่อนสละวัดเช่นนั้นก็เฉลียวใจจึงได้ไปพบหลังจากพบแล้วและอาจารย์เกินก็นําท่านยาดูศีลาไปมอบตัวกับท่านพระอาจารย์มั่นได้ฟังและได้ปฏิบัติตามก็เกิดความเย็นใจเลิศเกินท่านยาดูศีลาก็ได้สละวัดและสิทธิ์จำนวนมากมาบวชเป็นพระธรรมยุทธ์ทั้งสิน้นระยะ น, นี้เองทาให้ชื่อเสียงของท่านพระอาจารย์มั่นได้กระชอนไปว่า หากใครอยากพ้นทุกข์ต้องการความบริสุทธิ์ต้องการของจริงในพระพุทธศาสนาแล้วจงได้พยายามติดตามและปฏิบัติกับท่านจะได้รับผลอย่างแท้จริงพุทธศักราช2469เสียเสนาสนะป่าบ้านสามผง กิ่งอำเภอสีสงครามท่าอูเทนจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์มันและพระภิกษุสามนเณรหลายรูปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมท่านอาจารย์สิงห์กับท่านอาจารย์มหาปินจำพรรษากันที่บ้านอากาศท่านอาจารย์กูธรรมทินโนจำพรรษาที่บ้านโนนแดง อาจารย์อุ่นธรรมัทโรจำพรรษาที่บ้านขาท่านพระอาจารย์เสาวกันตาสีโลทุดงออกจากวัดพระงามอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายแล้วก็ไปเชียนคารจังหวัดเลยขึ้นไปที่ภูฟ้าภูหลวงแล้วก็กลับมาจังหวัดอุดอรธานีจำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านดงยางอำเภอหนองหานหลังจากออกพรรษาแล้วในปีนี้พระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์สา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 ตามสถานที่จังหวัดต่างๆโดยมิได้มีการนัดแนะว่าจะไปพบกันณสถานที่ใดแต่ด้วยเหตุอะไรไม่ทราบทุกๆองค์ก็เผอิญไปพบกันเข้าอีกที่จังหวัดสกลนครในขณะนั้นนางนุ่มชุวานนท์ผู้ที่เคยมีความเลื่อมใสในท่านอาจารย์ทั้งสองคือพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสามานานแล้วและมารดาของนางนุ่ม ได้ถึงแก่อานิจกรรมลงกำลังจะจัดการชาปนกิจก็พอดีได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ทั้งสองพร้อมด้วยสารุสิทธ์เป็นอันมากกำลังร่วมกันเดินทางมุ่งหน้าเข้าเขตสกล น, นครจึงได้เดินทางไปขอนิมนให้มาพักอยู่ที่เสนาสนะป่าซึ่งปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นวัดป่าสุทาวาสเมื่อพระอาจารย์พร้อมด้วยสานุสิทธินั้นพักอยู่เพื่อเป็นการฉลองศรัทธา ไม่เฉพาะแต่นางนุ่มเท่านั้นแต่เพื่อจะหล่อสัทธาของชาวเมืองสกล น, นครทั้งมวลซึ่งชาวเมืองสกล น, นครทั้งหลายได้เห็นพระปฏิบัติมาอยู่รวมกันมากมายเช่นนั้นก็ทําให้เกิดสัทธาเป็นอย่างยิ่งได้พากันไปศึกษาธรรมะปฏิบัติจนได้รับการช่ําชองและเป็นนิสัยปัจจัยมาจนถึงทุกวันนี้ ขณะนั้นพระยาปัญจันตะประเทศธานีบิดาของพระพินิษถึงแก่กรรมเจ้าภาพก็ได้อาราธนาพระอาจารย์ทั้งสองพร้อมด้วยสานุสิ์เพื่อบำเพ็ญกุศลท่านอาจารย์ทั้งสองก็ให้อุปการะเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการอนุเคราะห์จึงได้อนุมัติให้พระไปฉันในบ้านได้ในงานชาปณกิจศพ บ, บิดาของพระพินิษเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาเพราะเบื้องต้นพระคณะกรรมฐาน ได้รักษาทุดดงเขวัตอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆไม่มีการอนุโลมให้รับนิมนต์ไปฉันพัตนารในบ้านเมื่อเสร็จงานชาปนกิจทั้งสองศพนั้นแล้วพระอาจารย์ทั้งสองและสานุสิทธ์ต่างก็แยกย้ายกันทุดดงไปคนละทิศละทางตามอัธยาศัยส่วนท่านพระอาจารย์มั่นทุดดงไปทางบ้านเหล่าโพลค้อได้แวะไปเยี่ยมอุปชาพิม ซึ่งท่านองค์นี้เป็นนักปฏิบัติมาเกาแก่แต่การปฏิบัติของท่านยังไม่ถูกทางจริงท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนำโดยให้เจริญวิปัสนาจนได้รับผลเป็นที่พอใจและอุปชาพิมก็ได้ยกย่องท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นผู้มีความชำนาญในการปฏิบัติอย่างยิ่งต่อจากนั้นท่านก็ลาพระอุปชาพิมทุดงต่อไปและพักบ้านห้วยทายสิบวัน โดยจุดมุ่งหมายท่านต้องการจะเดินทางกลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้บรรลุถึงหมู่บ้านหนองคอนซึ่งชาวบ้านเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงได้พร้อมใจกันอาราธนาให้ท่านจำพรรษาเมื่อท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ก็รับอาราธนาชาวบ้านจึงช่วยกันจัดแจงจัดเสนาสนะถวายจนเป็นที่พอเพียงแก่พระภิกษุ ที่ติดตามมากับท่านพุทธศักราช 2,470 ณเสนาสนาป่าบ้านหนองขอนอำเภอบุงจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญ ในพรรษานี้ท่านได้พักอยู่บ้านหนองคอนตามที่ชาวบ้านไดอาราธนาพระอาจารย์สิงคันตยาขโมจาพรรษาที่บ้านขัวสะพานบริเวณใกล้เคียงกันเราเมื่อได้อยู่ศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านได้รับผลเป็นที่พอใจและก็ได้ออกไปบาเพ็ญสมณธรรมโดยตนเองในสถานที่ต่างๆทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นกาลังเดินทางไปจังหวัดอุบล เราจึงได้พยายามทุดดวงติดตามท่านไปในระหว่างทางเราได้ไปพบพระลีคือพระอาจารย์ลีธรรมทโรณที่บ้านหนองสองห้องอําเภอม่วงสสท่านก็เป็นพระมหานิกายเหมือนกันเราได้อธิบายธรรมปฏิบัติที่ได้ศึกษามาจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วก็พาปฏิบัติจนเกิดความอัศจรรย์ในการปฏิบัตินั้นแล้วพระลีมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทุดงร่วมกันกับเราเพื่อจะได้ไปพบท่านพระอาจารย์มั่นเราในที่นี้หมายถึงพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยอาจารย์องค์แรกของผู้เขียนครั้นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้เดินทุดงไปถึงตัวจังหวัดอุบลเรากับพระลีก็ได้ติดตามไปพบท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบูรพาพอดีขณะนั้นท่านเจ้าุนปัญญาพิสารเทระหนู ขึ้นมาจากกรุงเทพได้พักอยู่ที่วัดบูรพาร่วมกับท่านอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็พิจารณาเห็นว่าเรากับพระลีควรจะได้บวชใช่ไหมเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะคุณปัญญาพิสารเทระก็ได้เป็นอุปชาบวชให้เรากับพระลีเป็นพระธรรมยุทธคณะสารุสิ์เก่าๆทั้งหลาย อันมีอาจารย์อุ่นธรรมทโรอาจารย์อ่อนยานสิริอาจารย์ฟั่นอาจารโรอาจารย์เกิร์งอธิมุตโกพร้อมด้วยสิทธิ์อาจารย์หลุยอาจารย์กว่าสุมโนอาจารย์คูนอาจารย์ศรีลาอาจารย์ดีซึ่งอยู่ที่พนานิคมอาจารย์บุญมาวัดป่าบ้านนนทันอุดรธานีในปัจจุบันอาจารย์ทองอโศโกอาจารย์บุญส่งบ้านขาอาจารย์ล่าลุงตาปั่นซึ่งอยู่พระบาทขอแก้ง ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางมาพำนักอยู่ในจังหวัดอุบลทุกองค์เหล่านี้ก็ได้ติดตามมาในเดือนสามเพนบรรดาศิษย์ทั้งหมดมีท่านอาจารย์สิงหคันตยาขโมเป็นต้นก็ได้ร่วมประชุมอบรมธรรมะปฏิบัติอย่างที่เคยเคยปฏิบัติกันมาในค่ําคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เข้าที่ทำสมาธิภาวนา ก็ได้ปรารบว่าจะออกจากหมู่คณะไปสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อจะได้มีโอกาสพิจารณาค้นคว้าในปฏิปทาสัมมาปฏิบัติให้ได้รับความเข้าใจชัดเจนและแจ่มแจ้งเข้าไปอีกและจะได้ปฏิปทาอันถูกต้องนั้นฝากไว้แก่เหล่าสานุสิทธิ์ในอนาคตต่อไปเพราะพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นย่อมมีนัยยะอันสุขุมลุ่มลึกมาก ยากที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ได้ผู้ปฏิบัติตามรอยพระบาทพระพุทธองค์และปฏิปทาที่พระอริยเจ้าได้ดำเนินมาก่อนแล้วนั้นเมื่อไม่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วย่อมจะเขวไปจากปฏิปทาที่ถูกต้องก็เป็นได้หรืออาจดำเนินไปโดยผิดผิดถูกถูกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็จะเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรม หรืออาจถึงกับป่วยการไม่เป็นประโยชน์แก่ตนของตนการปฏิบัติพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาก็จะมีแต่ความพอกพูนกิเลสให้เจริญงอกงามขึ้นในตนของตนเท่านั้นซึ่งไม่สมกับว่าพระธรรมวินัยเป็นของชราระกิเลสที่มีอยู่ให้สิ้นไปจากสันดานแห่งเวเนยศัตร์ทั้งหลายอนหนึ่งการอยู่กับหมู่คณะ จะต้องมีภาราการปกครองซึ่งก็เป็นธรรมดาตลอดถึงการแนะนำร่มสอนฝึกฝนทรมานต่างๆซึ่งทำให้โอกาสและเวลาที่จะค้นคว้าในพระธรรมวิไนไม่เพียงพอถ้าแลเราปลีกตัวออกไปอยู่ในสถานที่วิเวกซึ่งไม่มีภาระแล้วก็จะได้มีโอกาสเวลาในการค้นคว้ามากขึ้นผลประโยชน์ในอนาคตก็จะบังเกิดขึ้นมาให้เป็นที่น่าพึงใจ ท่านพระอาจารย์มั่นปรารถนาในใจของท่านในตอนหนึ่งระหว่างที่ท่านพำนักอยู่หน้าที่อุบล น, นั้นครั้นท่านปรารบในใจอย่างนั้นแล้วท่านจึงได้เรียกสิทธิ์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์สิงห์เป็นต้นมาประชุมกันท่านแดนแนะนําให้มีความมั่นคงดํารงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างที่ได้เคยแนะนําสั่งสอนมาแล้วนั้นจึงได้มอบหมายให้อหํานาจแต่ท่านอาจารย์สิงห์และท่านอาจารย์มหาปิ่น เป็นผู้บริหารปกครองแนะนำพร่ำสอนตามแนวทางที่ท่านได้แนะนำมาแล้วต่อไปเมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วในการครั้งนั้นท่านก็กลับไปที่บ้านของท่านอีกได้แนะนำธรรมปฏิบัติซึ่งท่านได้เคยแนะนำมาก่อนแก่มารดาของท่านจนได้รับความอัศจรรย์อันเป็นภายในอย่างยิ่งมาแล้วท่านจึงได้ไปลามาดาของท่าน และได้มอบให้หนางวันจำปาศีนผู้น้องสาวเป็นผู้อุปถาครักษาทุกประการแม่มารดาท่านก็ได้กล่าวในขณะนั้นว่าลูกเอ้ยอย่าได้ห่วงแม่เลยลูกไม่มีนี่สินในแม่แล้วลูกได้อุตสาหภาคเพียรเรียนธรรมวินัยก็ได้มาสงเคราะห์ให้แม่นี้ได้รู้จักหนทางแห่งข้อปฏิบัติแล้วแม่ก็จะดาเนินข้อปฏิบัติของตนไปตามหนทางที่ได้รู้แลวนั้น จนตราบเท่าชีวิตของแม่ก็ขอให้ลูกจงพระพติพรมจันทร์ไปโดยสวัสดีเทินเมื่อได้รับคำจากมารดาของท่านแล้วเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ได้ทำสัมมาคาระวะให้มารดาได้อโหสิกรรมในโทษเพราะความประมาทพลาดพลัง้งและล่วงเกินต่อมารดาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นท่านก็ได้ออกเดินทางต่อไป